สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับรู้จักคนพระเจ้าพระเจ้ามัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่สิบสามถึงยี่สิบสามมัทธิวบทที่เจ็ดข้อสิบสามถึงยี่สิบสามโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยโภชนะเทพ ท, ที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุดหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลรงุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ หรือว่าผลมะเดือนั้นเก็บได้จากพืชหนามต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟแค่นั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาไมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าโรงเจ้าค่ะโรงเจ้าค่า จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไตระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้ากล้าพระองค์กล่าวโจชณะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหาศจันเป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้น เราจะได้กล่าวแต่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทาความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพิรุณครมีคาโบราณบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจข้อพระธรรมในวันนี้อยู่ในหัวข้อรู้จักคนครับหลังจากที่พระเยซูได้เสร็จสิ้นการสั่งสอนเรื่องธรรมบัญญัติคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผย พ, พระชนะพระองค์ก็ทร ง, งท้าทายและเชิญชวน ทรงตัดไว้ชัดเจนมากว่าการติดตามพระเยซูนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายครับพระเยซูทรงเปรียบเทียบการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เหมือนกับประตูที่ขับแคบซึ่งหนทางที่นําไปสู่สวรรค์นั้นต้องพึ่งในบารมีในพระคุณความรักขององค์พระผเนเจ้าและจะต้องตัวเองนั้นมีระเบียบยึดในและมีชีวิตที่เชื่อฟังดํารงตอนอยู่ในความชอบธรรม พี่น้องครับในทางรนข้ามนั้นประตูใหญ่ในทางกว้างก็นำไปถึงความพินาศเราจะต้องรู้จักตัวของเรานะครับว่าเรากำลังอยู่ที่ประตูไหนประตูกว้างหรือประตูแคบประตูแคบนั้นอาจจะมีคนเยอะแยะมากมายที่เดินเข้าไปแต่ประตูกว้างอาจจะมีคนเยอะแยะมากมายที่เดินเข้าไปแต่ประตูแคบก็ มีคนที่หาพบน้อยเราจะเป็นหนึ่งในคนนั้นเหล่านั้นที่มีจำนวนน้อยและได้หาพบหรือไม่คุณครับพระเจ้าตอนนี้ทําให้เรารู้ถึงหลักการที่ว่าเราจะต้องไม่เฮโลสารพานะครับคือเฮโลตามกันไปว่าที่ไหนดีเราก็ไปเราจะต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเลือดของเราอย่างชัดเจน และเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองกำงตนอยู่ในความเชื่อมั่นมั่นคงในโพธิณะของพระเจ้าหลายๆครั้งนะครับในทุกวนันนี้มีการอบรมมีการสัมมนามีการจัดงานต่างๆแยะมากมายครับต่างคนต่างก็เฮโลกันไปก็นึกว่าพระวิญญาณเคลื่อนหรือพระเจ้ากำลังเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนี่นครับผมอยากจะเตือนสเตทีน้องนะครับว่าอยา่าเฮโลกันไปแต่ต้องตรวจสอบครับ พระจนาของพระเจ้าสอนเราให้ตรวจสอบทุกวิญญาณจงพิสูจน์ทุกๆุกวิญญาณพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าทางที่แคบคนที่หาพบก็มีน้อยแต่ทางแคบนั้นนำไปถึงชีวิตทางกว้างนำไปถึงความพินาศครับพี่น้องครับในข้อที่สิบห้าพระเยซูก็สอนให้เราที่จะรู้จักรู้จักใครครับรู้จักคนที่เป็นพวกผู้เผยพระนจทั้งหลาย ในข้อ15บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยเพจนะเทตที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะภายในไ ร, ร้กาดดุดหมาป่ามีผู้เผยเพรชนะนะครับหรืออ้างตนเป็นอกทัทูตก็ดีในสมัยใหม่นะครับหรืออ้างตัวเองว่าเป็นผู้เผยเพระชนมก็ดีอ้างตัวเองว่ารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับในอนาคตก็ดีคนเหล่านี้ครับต้องระวังครับ เพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้เผยโภชนะเทียมเช็ดที่มาหาเรานะครับแต่ภายนอกนั้นรู้สึกสุภาพภายนอกนั้นเหมือนแกะครับแต่ภายในนั้นก็คือหมวหมาป่าเราเห็นต่างประเทศนะครับชีวิตของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอักขระทูตสมัยใหม่นะครับเป็นผู้เผยพระชนะสมัยใหม่คนเหล่านี้ครับมีความร่ํารวยส่วนตัวบางคนนั้นมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บางคนนั้นก็มีบ้านหลังโตมหึมานะครับจากการที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเงินที่เขาได้มนันก็ต้นแล้วแต่ไ้มาจากการบริจาคของผู้คนนะครับเขามีกระบวนการเขามีวิธีการต่างๆเขามีกรรมวิธีในการที่จะทำให้ผู้คนนั้นมีความเริ่มใสศรัทธานในตัวเองในเมืองไทยเรานะครับในวงการศาสนาก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเห็น เขาก็พยายามที่จะหลอกลวงหรือว่าหลอกเงินผู้มีสตางค์หน่อยเขาก็พยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับนี่คือสิ่งที่พวกผู้เผยเพรชนะเทียมเทศทมเขาให้เรารู้จักได้โดยผลของเขาครับบางทีในข้อที่สิบหกบอกว่าผลองุมณนั้นเก็บได้จากต้นไม้ที่มีน้ำหรือหรือว่าผละเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ํา ข้อสิบเจ็ดพระเยซูสอนชัดเจนสรุปครับว่าต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เร็วก็ย่อมให้ผลเร็วข้อสิบแปดครับต้นไม้ดีจะเกิดผลเร็วต้นไม้ดีจะเกิดผลเร็วไม่ได้หรือต้นไม้เร็วจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพียงทราบที่นีบอกว่าในที่สุดแล้วนะครับ คนเหล่านี้ที่เป็นผู้เผยพระเจ้าเทียมเทศเนี่ยนะครับจุดจบของเขาไม่ดีครับจุดจบเขาไม่ดีเพราะเขาเป็นต้นไม้เร็วครับต้นไม้เร็วเกิดผลสุดท้ายดีไม่ได้ครับต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดีครับต้นไม้ดีเกิดผลเร็วก็ไม่ได้เหมือนกันท่นานครับนี่คือหลักการนะครับการหว่านและการเกี่ยวครับการเกิดผลนรับจากรากที่ดีจากต้นที่ดีนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ํานะครับว่า ดูคนให้ดูนา น, านครับการที่เราจะรู้จักคนนะครับต้องดูนานๆจริงๆว่าผลของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีความซื่อสัตย์เขามี integrity เขามีสิ่งต่างที่แสดงให้เห็นถึงผลของพ่อมียางบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรชุดส่วนตัวของเขานั้นตรงใสหรือไม่อย่างไรสิ่งต่างที่เขาทำนั้นที่อยู่ให้ภายนอกเราอาจจะสังเกตเห็นชัดแต่อะไรอยู่ภายในใจของเขาครับ แรงจูงใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขาครับนี่คือถึงที่พระเยซูทรงสอนแต่ผู้ที่ทําเช่นนี้หรือมีพฤติกรรมเช่นนี้จะเรียกว่าคนหน้าที่ใจโคตรครับไม่ผิดอะไรกับพวกฟาริสีพวกธรรมดานที่ต่อต้านพระเยซูในข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับพระเยซูตรัสสอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับการรู้จักคนประเภทนี้นะครับ จริงๆแล้วพระเยซูรู้จักเขาครับพระเยซูรู้จักเขาจนกระทั่งถึงก้นบึ้งในหัวใจส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเขาพระเยซูรู้จักทั้งหมดเลยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระเยซูยังอนุญาตให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังยอมให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นจะทําให้เขากลับใจเสียใหม่ที่นี่บอกว่าเลยครับที่นี่บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นในข้อยี่สองจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข่าข้าพระองค์กล่าวพ้อเจตะนะในพระนามของพระองค์จะได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์จะได้ทําการวาสนาเป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจัดกล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผูกูกระทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพี่น้องครับเราจะรู้จักคนนะครับต้องเรียนแบบระเยซูครับ ดูเขาที่ผลในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้มีความจริงใจคนที่มีความหลอกลวงคนที่ไม่จัดสื่อแรงจูงใจไม่ถูกต้องเขาเป็นมาป่าที่นุ่งห่มดุดแกะคนเหล่านี้ครับจะเผยโภชนะเพื่อตัวเองเผยโภชนะเพื่อยกย่องตัวเองเผยโภชนะหรือสอนหรือทําอะไรก็แต่ก็จะทําเพื่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า และสิ่งนี้เองครับทําให้พระเยซูในที่สุดจะบอกกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับพวกเราทั้งหลายพี่น้องที่ได้ฟังอยู่หลายๆครั้งนะครับพวกเรารับใช้พระเจ้าหลายในคนที่นี่อาจจะยังไม่บังเกิดใหม่ครับและก็แฝงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าในการทําหลายสิ่งหลายอย่างนั้นอาจจะผิดพลาดผมอยากจะเชิญชวนให้ เราต้องหลายที่จะนั่งลงให้ควรภาวนาและกลับใจใ ห, ใหม่เข้ามาถึงองค์พระคุณเจ้าอย่างแท้จริงสารภาพบาปมีท่าทีแห่งการต้อนรับพระเยซูมีท่าทีแห่งการยกจ้องพระเยซูมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระเยซูและพอกชีวิตสวไวงับลงกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับครั้งที่เคยต้อนรับอาจจะต้อนรับด้วยปากแต่ไม่ต้อนรับด้วยใจแต่ครั้งนี้เราจะต้องรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับ และเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของท่านจะมีพ้นงานบริสุทธิ์แต่เมื่อพ้นงานบริสุทธิ์สถิตกับท่านแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่าน่าดจากความรับของพระเจ้าได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเพราะฉเจ้านะการขับผีหรือการทํามหาธัจ น, นะครับก็คือโดยรวมแล้วคือการรับใช้พระเจ้านะครับเราจะได้รับผลแห่งการรับใช้พระเจ้าเราจะได้รับบำเหน็จครับแต่ขออย่าให้ใครบางคนที่ได้ยินได้ฟัง เสียงของสีบาล น, นี้เขาจะไม่ได้ทำอย่างนี้และในที่สุดพระเยซูจะบอกกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านใน ว, วันนี้อาเมน